ท่านสาธารุชน บ, บริษัททั้งหลายการบันทึกเสียงวันนี้ก็คงเป็นวันที่8ตุลาคม2527 26สำหรับพศนี่จะเลยเลยไปเสีเยเอยเป็นนั้นว่าเป็นวันที่8ตุลาคม2526ขณะที่บันทึกนี้อาการป่วยแค่ไม่สบายยังมีมากอยู่แต่ก็ทำ เท่าที่ทําก็เพราะว่าถ้าทําเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจิตใจเป็นสุขสุ่มเสียงก็อาจจะไม่ดีตามสมควรเพราแหบแมากก็ไม่เป็นไรทําไปเพื่อเป็นการสนองคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กันทรงให้ความวิชาความรู้ไว้ตามสมควรถึงแม้ว่าความรู้นี้จะเป็นการเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร ให้ฉันดะไว้ตามที่มีสำหรับวันนี้ก็ยัขอต่อเมื่อวานนี้ <c oughs> เมื่อวันก่อนพูดไว้ถึงเรื่องของของเปลือกแห่งความดีสำหรับเรื่องราววันนี้ขึ้นต้นตามนี้ตามพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดหน้าที่ยี่สิเจ็ด ในเรื่องราวคนนิคโครทัพปริภาชกหรือ ว, ว่าโอทอมบีกาโสดแต่งกล่าวว่านิคโครทัพปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยจะบะเป็นกริยาที่ถึงแก่นและถึงยอดด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอประทานบริวาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงให้ข้าพระุทธเจ้าถึงยอดถึงแก่นแห่งการนายบาปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมดเด็จพระผู้ทธมีพระพาตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ <c oughs> เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการแล้วก็สังวรสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนก็ทราบอยู่แล้ว ถ้าดูก่อนนี้ครูท้เพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อดีกล่าวต่อไปนี้จงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสนาสนะอสงัดเป็นต้น <c oughs> และเขาละนิวรณ์ห้าเหล่านี้เป็นอุปกเกลตแห่งใจทำให้บรรยาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทั่วไปเขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือลึกถึงชาติที่หนึ่งบ้างที่สองบ้างที่สามบ้างที่สี่บ้างที่ห้าบ้างเป็นต้น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 มีผิวพันธ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นสเสรษฐสุขสเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นรั้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโ น, น้นม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้น มีกำหนดเพียงอายุเท่านั้นครั้นจุติจับภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุธเทศวเศ ร, เรเื่องการชนีทรงกล่าวว่าดูก่อนนิครูทะท่านจะสาคัญข้อความนี้เป็นเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบา จะบริสุทธิ์จะไม่ตอนโครธท้ากลับทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยแต่บาบริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หามินได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงเกณฑ์พระผู้มีพระภาเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนนิครูท้า การในบาปด้วยเาบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เปริยาที่ถึงยอดหดรือถึงแก่งก็าหามไม่ได้ที่แท้เป็นเพียงถึงกับพีเท่านั้นอาดับันดาท่านพระตบริษัทตอนนี้ก็มาย่ำเท้ากันตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเลยไปซะแล้วก็จะเคยเข้าใจยากกรวมความว่าสมเด็จพระพูทมีพระภาเจ้าทรงตรัสกนิโขทัศ ซึ่งวันก่อนโน้นท่านได้พูดถึงเปลือกแล้วถึงกับถึงถึงอะไรถึงสะเก็ดถึงเปลือกมาก่อนมาในตอนนี้องค์สมเด็จพระจีนวนรวงร์สุนถึงกับพีของความดีที่พระองค์ทรงตรัสสาหรับกับพีของความดีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลาย อ, อุบาสิกาทั้งหมดขอได้โปรดจงอย่าลืมสะเก็ดของความดีเรื่องการถอยหลังการปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากอันดับแรกถอยหลังไปว่าตอนไหนที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาทรงตัดว่าจริยาของพรามผู้มีความเปรยไรมัญญาต การปฏิบัติทั้งหมดเป็นของใช้ไม่ได้นั่นหมายความว่าไม่ใช่เพียวบกิเลสอย่างเดียวมันเป็นกิเลสหนามากเชิญองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าทำอย่างนั้นที่ท่านว่าไม่ดีนี่เราต้องไม่ทำ แล้วต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงตัดว่าเป็นจริยาของผู้ทรงตบะคือความดีทำถูกต้องแต่ว่าเป็นุปกิเลสนั่นคือทำถูกแต่ใจไม่ดีใจมีความโ อ, โ อ, โอ้อวดปรารถนาการนิยมส่งเสริมขขงบุคคลอื่นต้องการให้เขามีความเคารพนับถือ แล้วก็มีการอิจาราสิยาบคนอื่นเป็นต้นแล้วก็มีมานะการถือตัวถือตนเป็นพิเศษคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีแล้วทำไมคนทั้งหลายจึงไม่มีความเคารพนับถือในเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดันไปนับถือบุคคลที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบมีทรัพสมบัติมากมีอาหารการกินมาก อย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นอุปกิเลสขอบรรดาเพื่อนวิสุทธสมณีนเน้อมาสบริการถอยหลังไปจำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเราจะไม่ทำตลอดไปต่อไปตลอดชีวิตสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตร ก็คือพยายามดูษาความดีขั้นสะเก็ดแต่ความดีขั้นสกิดของท่านไม่มีในบรรดาท่านพุทธบริษัปทปุบเพนิวาสานุตติยานด้วยการอริชาติได้มันก็ไม่มีผลบางท่านเวลานี้ทำกันไม้มากและพระวาชานี้เป็นสาธารณะ <c oughs> ว่าในสมัยปัจจุบันกำลังนี้พูดอยู่นี่เป็นเดือนตุลาคม2526การเลึกกาชิก็ดีหรือว่าทิ่ไโคยู่ยก็ดีการท่องเที่ยวบนิบพต่างๆก็ดีอันนี้คนทำกันเป็นได้นับแสนความจริงอาตมาที่บอกว่านับแสนนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับความเป็นจริง เพราะเวลานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงรู้สึกว่าจะมีพกำลังเหนือพระที่พูดนี่ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นพระความจริงเป็นเช่นนั้นพระบางท่านท่านกนเลยไม่เชื่อความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนมา หาว่าเป็นอุปาทานบ้างหาว่าเป็นโอภาสบ้างหาว่าทำนอกเหนือไปบ้าง <c oughs> ดีไม่ดีแต่มาเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โอดอุตริมนุสธรรมบ้างแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็มีญาติโยมพุทธบริษัทเป็นพิยาน เรื่องกลา่ารกลา่กลาวหากันเป็นของธรรมดาของบุคคลเลวก็ดูในด้านของอุิกิเลสบรรดาญาโยมพรทุบริษัทจะเห็นว่าคนเลวนะเขาไม่มองเห็นคนดีว่าดีอาตมาเองก็มันยอมรับว่าตนเองเป็นคนดี <c oughs> แต่ความรู้ที่องค์สมเด็จระชินาสีให้มาก็มาแบ่งกันทําได้เล็กๆน้อยๆก็มาแบ่งกันตามกํากลัง ยันนึ่งของบันดาเต็มพุทบริษัททุกท่านจงสังหนความดีขั้นสะเก็ดไว้และก็มีหลายท่านที่กลับไปบ้านบอกทาไม่ไหวก็เลยพระบางท่านบอกว่าการฝึกมโนยิทธินี่เป็นการสะกดจิตเอาคนนั้นอีกก็รู้สึกว่าหลวงพี่เหลืองนี่แกหนักมากสักหน่อย อาการสาวพัฒเป็นธงชัยของพระอรหันต์เป็นปัจจัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านมีความเคารพนับถือยังชีวิตอยู่ด้วยความสุขยังชีวิตอยู่ด้วยตังบนกําลั ง, งความดีขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัท แต่ว่าคนที่จะทรงความดีที่องค์สมเด็จพระสงค์สวัสดิโสภาคหมอกไว้ด้านติการสมควรการกระทําตนอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเขาเป็นผู้ประกอบด้วยปกิเลศอย่างหนักไม่เข้าถึงแม้แต่สเก็ตขึ้นความดีในพระพุทธศาสนาที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดให้ใครโกรธ พูท่านนั้นหลายมีความรู้สึกตัวว่าการที่คนจะพูดยังไงคนในโลกนี้ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปด้วยเครื่องแบบเครื่องแบบไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีการวัดความดีที่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริสุทที่เป็นบริสุธิสมณี น, นอุบาสกุบปติกา ที่เป็นสาวกองสมเด็จพระธรรมสัมมิตรก็จงอย่าถืออย่าทำลายสักเก็ตของความดีอย่าไปนิยมชมชอบอุปกิเลสรักษาสักเก็ตให้ทรงตัวหลังจากนั้นก็เข้ามารักษาเปลือกให้ทรงตัวเปลือกทรงตัวก็คือสิน <c oughs> เราจะไม่ละเมิดสินได้ตนเอง <c oughs> สำหรับครวัตจะต้องมีศีลห้าบวกกรรมวด10สิบไม่แค่นั้นความเรียบร้อยของจิตจะไม่มีจะน้อยเกินไปต้องรักษากายวา่าใจาให้เรียบร้อยจริงๆไม่เบือนเบื่อ ป, น, ป, น, ปนภยัยกับใครทั้งหมดแล้วก็พิสุสัสมนเนินต้องทรงศีลให้ครบถ้วนพิสุพร้อมในศีลท่าและอภิสมาจารย์ เซมเนนสินสิบล้อมด้วยเษกีวัตเจ็ดสิบห้าอันดับแรกต้องเป็นอย่างนี้นะครับและตอนต่อไป <c oughs> ก็ทุกท่านพยายามระงับติวอนห้าประการตีวอนห้าประการหนึ่งก็หนึ่งมีความพอใจในกรรมคุณผมจะมาทิมบายสอง เราต้องขอโทษหนึ่งต้องระงรับความพอใจในการมคุณสําหรับเคลว่าที่แต่งงานแล้วยังไม่แต่งงานยามปกติอาจจะมีความพอใจแต่ว่าเวลาที่จะปฏิบัติทําความดีระงรับความพอใจเสียสําหรับวิสุทธิสมณเณรยังตัดไม่ได้ต้องพยายามระงรับไว้เป็นปกติพวกเราเป็นปูชนียบุคคล อย่าปล่อยให้ใจดิน้นรนไม่ได้ของกามคุณมันจะเลวเราไม่ใช่ฆราวาสในริการในสองฆราวาก็ดีพระก็ดีเทลงก็ดีต้องพยายามระ ง, งับความโกรธความเยาะบาด ท, <c oughs> ที่ผมถือว่าต้องระ ง, งับก็เพราะว่าบางทีเราจะตัดไม่ได้กามคุณก็ดีความโกรธความเยาบาดก็ดี จะตัดกันได้จริงๆต่อเมื่อถึงพระอนาคามีผลในเมื่อเรายังเป็นปุถุชนหรือว่าผู้ปฏิบัติถึงมรรคเบื้องตนยังตัดไม่ได้ไม่จะตัดไมนได้ก็ปล่อยให้มันดิ้งคึกคักคึคัตัวในใจเหมือนเขาขังเสือไว้ในกรงยจะปล่อยให้มันโดดมาทางปากจะปล่อยให้มันโดดมาทางกายอย่างนี้ใช้ได้ อย่างชี่ว่าเป็นโปูชนียบุคคลชั้นผู้น้อยคือชั้นสเก็ดเป็นสะเกตขึ้นความดีในพระพุทธศาสนาก็พอใช้ได้แล้วก็ต่อไประ ง, งับความง่วงเหงาห้อ น, อนนอนขณะที่ปฏิบัติปฏิบัติความดีเรื่องความง่วงเหงาห้องนอนนี่บรรดาแต่พุทธบริษัทที่เป็นมิสุสมณีก็ดีเป็นพระลไวาก็ดีโปรดทราบ ว, ว่าการง่วงกับการเพลียมีการคล้ายคลึงกันด <c oughs> ังนั้นการปฏิบัติพระกรรมฐ า, านจะเป็นด้านใดเขาตามให้รักษากำลังใจแค่จิตเป็นสุขด้านกายต้องระวังให้มากอย่าฝืนกายตามที่องสมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าทรงตรัสว่าให้เว้นหนึ่งอัตตะกรรมฐานิโยก จงอย่าทําตนถึงขั้นทรมานอย่าตั้งเวลาเกินพอดีบางท่านตั้งเวลาไว้เท่านี้ถ้าเวลายังไม่ถึงกาหนดเราเลิกไม่ได้เสียสัจจะอย่างนี้ใช้ไม่ได้แล้วบางท่านเวลาจะปฏิบัติจะทําพระตั้งใจอยากได้เกินไปถ้าอาการทั้งสําเรื่การนี้มีอยู่กับบคุคคลผู้ใดบคุคคลผู้นั้นไม่มีผลในการปฏิบัติ พระ อ, องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัติศุภะจัดไว้ตั้งแต่วันแรกแสดงวัธรรมเทศนากับปัญญวักคีฤษีทั้งห้าให้เว้นส่วนสุขสำแ็จการนิสียแล้วก็พยายามทรงกำลังแค่มัชชิมาปฏิปทาคือทำใจสบายบายพอจิตเป็นสุขแต่เห็นจิตมิยาพุ่งสั้นทนไวไหวก็เลือกเสียพักผ่อนก่อน วันเวลาไม่มีเท่านั้นถ้าคิดทําไปจะเกิดเครียด <c oughs> ถ้าทนต่อการเครียดไม่ช้าก็จะเป็นโนรคซึมประสาทที่ก็บอกว่าปฏิบัติกรรฐ า, านเป็นคุณบ้าเน่ะเรื่องมาเป็อย่างนี้คัดค้านคือต้านทานคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์ก็เป็นเหตุให้คนเล่าลือกันว่าการจเจริญกรรมาฐานบ้ามาก ได้ความจริงการเจริญพระกรรมาฐานเขา้าระงับความเป็นบ้าในข้อต่อไปก็ ไ, ได้กวักได้แก่อุเทจรักขุาจารอารมณ์ที่พุ่งสั้นลำคาญในการปฏิบัติตรงหลีกเลี่ยงการพุ่งสั้นลำคาญแต่ว่ากําลังใจของเหล่าบรรดา บ, บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมันชิงกับการพุ่งสั้นลำคาญมามาก จานั้นเราก็ต้องเชื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถ้าปฏิบัติไปถึงมันฟุ้งซ่านมากเกินไปก็เลิกใช้ก่อนพักผ่อนให้เป็นสุขเวลาใจส บ, บายก็เริ่มทำใหม่ถ้าแต่มาคิดว่าตอนหัวคแ่แเราเหน็ดเหนื่อยมาจากการงานมาก <c oughs> ควรรักษากำลังใจพอสมควร ถ้านอนภาวนาให้หลับไปได้ยิ่งดีถ้าจะหลับปล่อยให้หลับไปเลยอย่ายั่งตัวไว้เวลาที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตไม่ทึ้งชาญมันจะไม่หลับถ้าจิตทึ้งชาญมันตัดหลับทันทีและก็ท่านถือเป็นว่าขนาที่หลับอยู่นั้นจะถือว่าเป็นจิตทรงชาญตลอดเวลาหลับกี่ชั่วโมงก็ตามทรงชาญเวลาเท่านั้น ถ้าเราตื่นมากาลังใจจะมีความสุขหลังจากนั้นก็ภาวนาต่อไปหรือพิจารณาต่อไปจะภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงเป็นเรื่องความพอใจของบุคลบคลผู้ปฏิบัติให้เลือกเอาตามชอบใจถ้าร่างกายอยากนั่งก็นั่งมันไม่อยากนั่งอย่างเพียก็นอนนั่งนอนยืนเดินมีผลเสมอกัน นั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งพระเพียบนั่งคาตามัดนั่งห้อยขาก็ได้ทุกอย่างเองกายนอนก็ได้ ย, ยงดงดิงก็ได้จงกรมคือเดินก็ได้ตามใจชอบตอนเช้ามืดทำจิตทให้สงบถึงที่สุดอารมณ์จะทรงตัววันทั้งวันวันนั้นกิเลสของจิตจะบาง อาตมาจะไม่ขอพูดว่ากิเลสจิตว่างจากกิเลส <c oughs> หรือว่ากิเลสว่างจากจิตถ้าทําจิตสงัดถึงที่สุดในเวลาเช้าหมดให้เต็มอัตราตามความตา ม, ามความสามารถที่ทําได้วันนั้นทั้งบันกิเลสของจิตจะบางอารมณ์จะเป็นสุขมากและปัญหาจะพอน่าเกิดขึ้นจะตัดสินใจได้โดยฉับพลันและก็ถูกต้อง นี่เป็นวิธีปฏิบัติข้อสุดท้ายวิจิกิจฉามานิวอนห้าประการความสงสัยในผลของการปฏิบัติจงอย่ามีเพราะการที่เรายัางไม่ปฏิบัติกิเลสมันมากจะมีอารม์อย่างหนึ่งเมื่อปฏิบัติมาแล้วกิเลสมันบางลงจะมีอารมอรมีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอารมณ์จะเบาและมีการคล่องตัวความเป็นที่เจืบปรากฏ หลังจากนั้นนี่เป็นเป็นเปลือกนะที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ทรงพรมีหารสี่ก็มาขออธิบายมากหนึ่งจิตมีความรักคนสัตว์ทั่วจั ก, กรวาลทั่วโลกสองจิตมีความสงสารคนสัตว์ทั่วโลกปรารถนาให้มีความสุขถ้าช่วยได้เราช่วยช่วยไม่ได้ตั้งใจจะช่วย สามจิตมีความอ่อนโยนไม่ฉาดเสียใครเมื่อคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยสีอารมณ์จิตวางเฉยเมื่อเขาเพียงพรำเราไม่ซ้ำเติมอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นจุดความดีขั้นขั้นเปลือกขวัรดาเพื่อนบิสุสัมเนนอุบาสกุบาศิกาจงทรงกำลังใจให้ดี <c oughs> ถ้าทรงกําลังใจได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกปกเพนิวาสานุติยานเป็นของไม่ยากแต่ก่อนนี้ปกเพนิว่าฝึกปกเพนิวาสานุติยานก็ถอยหลังไปจุดหนึ่งท่านบอกว่าอุชงกาอย่างบุญธายะเข้าไปในที่สงัดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันรักษารมสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามา <c oughs> ว่าการปฏิบัติแบบนี้ต้องหาครูและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าไม่หาครูสมัยก่อนถ้าแนะนำทำกันเองก็ต้องใช้เวลากันเป็นปีๆไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนสิบปียี่สิบปีจึงได้แต่ว่าเวลานี้จะหาครูครูสอนมีเยอะ ไม่ใช่ว่ามีแต่วัดท่าสงหลายสำนักทห้เราปฏิบัติกันท่านทำกันในความดีนี่ไม่จะมนีนี่แห่งเดียวมีทั่วประเทศไทยนอกประเทศไทยก็ยังมีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นอย่าลืมมารักษากำลังใจแค่สะเก็ดแค่เเลือกให้ทรงตัวให้ได้นิวรนแค่ระงับเราตัดไม่ได้แน่ แต่พอ ม, มีหันสีต้องทรงตัวแล้วก็ท่ายอารมณ์เป็นอย่างนี้การเริ่มต้นเขาสมาธิจะง่ายมากว่าการทรงตัวของจิตแบบนั้นอารมณ์ตัมโบติเป็นฌานสมาบัติอย่างน้อยอารมณ์ปฐมฌานก็ดํารงอยู่กับใจนี่กําลังอารมณ์ปฐมฌานดํารงกับใจแล้วการปฏิบัติในขั้นปุเพรนิวาสานดียังก็ดี ในทิพยคุยยก็ดีเป็นของไม่ยากแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงจัดตามที่พระองค์ที่ทรงบรรลุมาเพราะในตอนตอน้นองค์สมเด็จรรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปกเพนิวาสานุปฏิยาก่อนโนทติยานก่อน <c oughs> องสมเด็จพระพิเชียรพิจนาวรจะไม่ใช่ปุเปรนิวาสานติยานถอยหลังชาติที่เกิดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุเปรนิวาสานติยา น, นิเป็นครูสำคัญสำหรับจิตใจของเราจะท้าให้เราไม่เกาะชาติไม่เกาะพบเพราะถอยหลังลงไปเราจะพบว่าคนใดในชาตินี้ที่ก็มีศักดิ์ศรีดีที่สุด รวยที่สุดมีอานาจวาสนาบารมดีดีที่สุดหรือปยกลางหรือจนเราถอยหลังลงไปเราจะพบว่าเราก็เคยเป็นคนประเภทนี้มาแล้วบางทีเราไปพบสัตว์ชานที่น่ารักและน่าเกลียดถอยหลังชาติลงไปแล้วก็จะพบว่าเราเคยเป็นมาแล้ว ถ้าถอยหลังลงไปอีกต่ำลงไปเป็นเปรตก็ดีสุรกายก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ดีเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมก็ดีแล้วก็อย่าทราบว่าเราก็เป็นมาแล้วเป็นไปเป็นมาบังเวียนไปเวียนมาอย่างนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างส่วนใหญ่เป็นทุกข์ไม่ได้สุขถ้าขณะใดไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเวลานั้นเราเป็นสุขขณะใดถ้าไปเกิด เป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสติฉันเป็นมนุษย์เรามีทุกข์ดังนั้นอารมณ์นี้จะเป็นการกำจัดใจของเราเองให้เป็นเหตุไม่ติดชาติไม่ติดภพต่อไปแล้วตัดมานะทิฏฐิการถือตัวถือตนเป็นผลที่เข้าถึงอนาคามีได้ง่ายขอโทษเป็นผลใี้บรรลุบักผลได้ง่าย ท่านเราจะคิดว่าการมาคุณเป็นของดีประเภทไหนล่วงลงไปเห็ว่า ก, การมาคุณไปเรื่องน่าเบื่อหน่ายมากเต็มด้วยความสปกปรกโสโครกเป็นปัจจัยของความทุกข์ความโกรธความยมบาดเป็นผลบริการใด <c oughs> บางครั้งเราต้องตายเพราะความโกรธเราต้องตายเพราะความรักที่เป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธ เราต้องตายเพราะความร่ำรวยที่เป็นเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรดนี่เราต้องตายเพราะการหวงแหนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็รวมความวาการเกิดมานี้ไม่มีอะไรดีความรักก็ดีความละโลภต้องการความร่ำรวยก็ดีความโกรก็ดีความหลงก็ดีไม่มีดีอะไรเลยถ้าเราหลงการเกิดว่ามันดีอย่อยางนี้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัตะไม่มีที่สิ้นสุด แลาบันดาญาโยมพุทธบริษัทคัดเศหน้านี้ยังไม่พูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าวิธีปฏิบัติถ้าพวกเราเราไปจับปุเพนิวาสารนิตยานอันดับแรกจะลำบากมากก็จะพูดต่อไปในคัศเศหน้าความจริงปุเพนิวาสารนิตยานไดยานแปด เราจะได้ด้วยกําลังของทิพยคุยานเป็นเบื้องต้นถ้าเราสามารถทําทิพยคุยานเบื้องต้นให้เกิดขึ้นเราก็สามารถจะทําจุตัวปปัติญาณคือการรู้การตายและการเสดเกิดของสัตว์เจตุบริย า, ยานบริย า, ยานการรู้จิตของคนว่าจิตคิดดีหรือคิดเลวมีกิเลสมากและมีเกียดน้อย ปุเพนิวาสารมติญาณสามารถรึกษาได้อาทตยต่างสิญาณนู่นเหตุการณ์ในอดีตอนาคตต่างสิญญาณนู่นเหตุการณ์ในอนาคตปัจจุบันนั้นที่ญาณนู่นเหตุการณ์ปัจจุบันญถากรรมตายญาณรู้จักผลของกรรมที่ให้โทษและให้คุณอรบรรดาญาโยมพระตบริษัทเวลามันหมดคัดเส็จด้านหน้าอีกด้านหนึ่งฟังกันต่อไป ว่าผลโครงการปฏิบัติในข้างเข้าถึงขั้นทิพยญญานที่องค์สมเด็จพระจิตตมานทรงตรัสว่าถึงแก่ น, นเป็นเช่นไหนการที่เราได้ปุเพนิวาสานุติยานสมเด็จชิตตมานกล่าวว่าเป็นผู้เข้าถึงกระพี้ความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอรรดาญาติโยมคุตตบริษัทถุท่านเสียงมันก็แย่ <c oughs> กำลังไม่มีเสื้อเมิมีขอก็ขออําลาบรรดาญาโยมวัตถุสัจกรขอบรรดาสาวกโคองสมเด็จพระจินวรสทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณผลมีความประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี